นโมตัดสาพระกาวโตอาราโตสัมมาสามคนทัดสา เจตตาสว่างวาชี้รังนามาปาฏิมังอิทธิธรรมาปาฏิหาริยยากังสมเด็จพ่องค์ปาฐมตนพุทธาโรปังสัมมสัมพุทธโธภาคขวางวันธารม พระาโสดีพรวันโตมี พุทธสิ่งชี้พสัพนลายานกำเนเิดมาแต่พ้นตาตำนานพระพุทธวงคทรงบันลูอนุตระสัมมาสัมโพธทยานอัศจรรย์อง์ศาสดาวันทามีพุททางส า, ารนังขัตชา สามโคติหัดสาขาบูชาทรงพนวุ์ออกมหาวิเศสกลมองอินพร้อมสมพรบวรไทยโปรดเวไนยาศาสบวรบาดขจรไกลข้าบูชาย่อมมาลายสถิตมว่าใหยโย่กา ทรงงามวิลาศแ่งองค์สัพันธโหงทรงภาพเอาทำเป็นครูมาชมโพบดีมิตรองกายาข้าวันธาโนมจ ม, มเจ้าพุทธองค์ท่าทรงเครื่องเรื่มร้องดังทองตาพระจอมไตรเกเลียวเทศนาะ ผู้บดิโุธระมหาชมพูบดิ บาวอนพระเสือาริยเมตรัยสเวยฮดายพระโพธิสัตว์สิบหอสทรงคาเฮเซนกับบารมีเป็นวิยาพุาติโออายุดโรงแป ชาติคนไทยได้เจ็บญรุ่งพุนทารังศิีสาราณไปไกลประมาณตำนดมีได้นามีพระทรงพระหรรมองค์ทรงเครื่องบรมมา มีไครยวันพาโยคนในเนือน้อนาบนหอยทา ถึงองคส่องเข่าหน้าข่าเจ้าทิปยดีอูมีศีลศรัทธาองค์สัมมาพุทโธเจ้าวมบวรแต่เข้าเจา้าชายศิษฐาอนุตรรกสัมมาสามโพธิญาณแทนและเล่งองค์พญาเท่ามจุจันลินนาคาราส่งอำนาจท่งฤทธิ์ทิศอาคเน่คุณบุนบวรเดชเท่าวพกเก้าย่างกระหม่อมห้องพดขนดายไตยสัมมาพุทโธทาน เอาพัางผ่านเพกตั้งบางไวยั่งพระเกตเอ็ดลาตีหลวงใดถวายไทยพุทธองค์วอนวิวอนมาขอพรเบื้องบนวอนวิวอนมาขอพรเบื้องบนอ้อยย่อมือเล้วผ้ากันบอกเราออกหน้าคาจอมเกลือ เจ้าโฮเหนาหวมสุขีบารมีสูงหงเฮีองสองแจงดัง อ, องคอินเตงพอสีสุโทนาคาดังอินแตงพอสีสุโทนาคาบารมีเปี่ยมล้ น, นาวามีแห่งไทปถุนไทยคิปวดีนาโคดังห่มโใส่นานั่ตะนาคาเจ้าโอกแก่เจ้าโฮขอให้น้ำไปหู กูปะเสศีสัตตานาคเจ้าหกเก้าฟังฟองคนเอ้ยคุณเอ้ยคุณศีสัตตานาคเจ้าโหดยิ่งใหญ่มหาสารผา ป, ปบ้านทรงศุภีห้มหอมเมืองบานสมพานหล่นพายญ่าเจ้าเก่าตะมอมเพชรพัทธรานากรอมหอมตุ้ปุถอง์องอโอโลพังพ อ, โอโมโลู คามอุทยานนาคะวะหัดพญามาลาไทายบาะมิโน